เมื่อคืนฝนตกที่วัดหลายชั่วโมงตกมาเรื่อยๆไม่รุนแรงบางวันก็ร้อนนะวันก็ฝนตกสนฟ้าอากาศก็เปลี่ยนทุกวันยมธรรมดาอย่างเวลาฝนไม่ตกนะเราอยากให้ฝนตก ความอยากเกิดใจเราก็กลุ่มใจฝนตกก็ดีใจได้อย่างที่อยากทีเราไม่อยากให้ตกถ้าจะไปเดินบินทบาทเนี่ยไม่อยากให้ตกฝนมันตกเราก็ไม่ชอบใจ ไ, ได้อย่างอยากก็ชอบใจนะได้สิ่งที่ไม่อยากก็ไม่ชอบใจนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เป็นไปตามที่อยาก แต่มันเป็นไปตามเหตุของมันฝนจะตกก็มีเหตุของฝนฝนจะไม่ตกมันก็มีเหตุงั้ถ้าเราเข้าใจธรรมะนียก็แสดงตัวอยู่ทุกคนทุกแห่งทางฝนตกแดดออกอะไรก็มันก็เป็นธรรมะสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมอง ถ้เราสังเกตเรื่อยๆไปราจะพบว่าเวลาใจเรามีความอยากขึ้นมามันจะทุกข์ถ้าใจเราเข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราความอยากมันเป็นเรื่องไรเ้เยิงสาอยากขึ้นมาก็ไม่มีอะไร ก็แค่ทำให้ใจเราทุกข์เท่านั้นเองงั้เราจะมาเรียนธรรมะนะใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาเราจะเห็นเลยว่าอะไรอะไรมันก็ธรรมดาธรรมดาก็คือมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ธรรมดาลอยๆไม่มีเหตุมีผลอะไรอย่างทำไมเราต้องแก่ก็เพราะว่าเราเกิด ถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายนีม่มีความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายเรามีคนที่เรารักเราชอบใจเราอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดการมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่ตลอดการได้ความอยากเกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์ ไปสังเกตให้ดีเถอะความอยากทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่อยากของที่ไม่มีไม่เป็นถ้ามีอยู่เป็นอยู่มันก็ไม่อยากหรอกอย่างเรายังไม่มีแฟนเราก็อยากมีแฟนพอมีแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีแฟนถ้าอยากก็ใหม่ถึงอยากมีแฟนใหม่ไปอยากอันอื่นแล้วอันเก่าไม่อยากแล้ว เร่ตัวที่ทำให้เราทุกข์กนะ็คือตัวความอยากนั่นเองท่านถึงสอนว่าตัณหาคือความอยากเป็นตัวสมูทยัทยคือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนธรร ม, มานี้มาตั้งนานแล้วนะเกือบสอง0ันเจ็ดร้อยปีสอง0ันหกร้อยกอีกหลายสิบปีอยู่ ความจริงอันนี้ตั้งแต่ท่านประกาศมาเนี่ยไม่มีใครค้านได้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรคานไม่มีใครมาคานได้เลยพะความอยากในตัวตัณหานนะั้เป็นสมูทายให้เกิดความทุกข์เราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในจิตในใจเราก็จะเห็นความจริงนนั้อยากทีไรก็ทุกทุกทีเลยเพราะว่าสิ่งที่อยากนะั้นมันไม่มีมันไม่เป็น อย่างอยากเป็นสสอๆๆนะไรอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องอยากไม่ไปอยากอย่างอื่นแทนอยากอยู่ตลอดอนะไรย่างนี้อยากรอบหน้าให้ได้คะแนนเสียงอีกนะมันไปนอยากของไม่มีงั้นมันทุกตลอดเวลาอย่างเวลาเราเกิดความอยากขึ้นแล้วเราก็ต้องลุ้นว่าจะได้อย่างที่อยากหรือไม่ได้ตรงที่ลุ้นนั้นก็ทุกแล้วล่ะ เพืนตัวที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์นะก็คือตัวความอยากนี่แหละนิใจจะมีความอยากเราก็ห้ามมันไม่ได้ความอยากมันก็มีเหตุอีกแหละอยู่ๆจะไปบอกใจว่าอย่าอยากอันนี้คืออยากจะไม่อยากไม่ใช่ไม่ได้ไม่พ้นหรอก เราก็ต้องดูสาวโลงไปหญิงความอยากมันมาจากอะไรพรุทธเจ้าท่านสอนปฏิจจสมุปบาทนะตัณหามันมาจากเวทนาอย่างถ้าเรากระทบอารมณนะ์แะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเกิดความสุขขึ้นมาเราก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่ตลอดไปนี่มันจำรสชาติของความสุขได้ ความสุขหายไปนะมันก็เสียใจก็อยากให้มีความสุขกลับมาใหม่เนี่ยพอมีความอยากให้มีความสุขขึ้นมาอีกนะอยากยามีผัษสที่ดีที่ถูกใจนะเราบังคับภัษสไม่ได้นะ ก, กระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างที่ไม่พอใจบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเหตุจะผลอะไรนะทุกตัวก็ล้วนแต่อยู่ใต้กฎ ของคำว่าอนัตตามังคับไม่ได้ทางนั้นนะเวลากระทบอารมณ์ที่พอใจก็เกิดความสุขมีความสุขเราก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปเราก็อยากให้มันกลับมาตรงความสุขยังไม่มีอยากให้มันมีอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจตรงที่เราอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจเรียกว่าการมตัณหา ตรงที่เราอยากให้อารมณ์ที่ชอบใจมันอยู่นานๆเขาเรียกว่าภาวะตันหาเนี่ยอารมณ์บางอย่างเราอยู่กับมันนานๆทีแรกก็ชอบอยู่ไปแล้วเบื่ออยากให้มันหมดไปสิ้นไปหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราไม่ชอบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็อยากให้หมดไปสิ้นไปเร็วๆาะใจมันโง่ใจมันไม่รู้ ว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่ความไม่ชอบใจความอยากให้หมดไปสิ้นไปมันก็ยังมีอยู่นี่เราค่อยๆเรียนรู้นะค่อยๆสาวดูเหตุดูผลในจิตใจเราดูจากของจริงไม่ใช่คิดเอาอย่างปฏิจจสมุปบาทคนอ่าน ธรรมะของพระพุทธเจ้านะอ่านปฏิจจสมุปบาทหรืออ่านหนังสือปฏิจจสมุปบาทมีหลายเล่มถ้าอ่านยังไงมันก็ไม่เห็นสภาวะเนียมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกตอนหลวงพ่อยังเป็นนักศึกษาอยู่หลวงพ่อไปบวชที่วัดชประทานที่จริงอยากบวชกับหลวงพ่อพุทธทาสแต่ท่านอยู่ไกล เราคนเมืองนอนทคนกรุงเทพนะมีวัดที่สอนแบบเดียวกันคือวัดชนประทานหลวงพ่อปัญญาท่านเป็นครูบาอาจารย์นับถือท่านมาต้แต่เด็กบวชกอไปอยู่กับท่านไปบวชที่ท่านท่านบวชให้พอบวชให้นะท่านให้นังสือของท่านพุทธทาสมาเล่มหนึ่งเล่มใหญ่ๆ บอกว่าคุณไปอ่านเอาท่านให้หลวงพ่อศึกษาเอาเองนะให้ไปอ่านเอาเองเราก็มานั่งอ่านอ่านอ่านแล้วถึงเวลาเราภาวนาว่างๆขึ้นมาก็มานั่งอ่านครูปราชาให้อ่านก็อ่านมาเรื่อยๆนะอ่านทั้งเล่มนะเป็นสะดุดใจกระธรรมะอันหนึ่งท่านพุทธทาสท่านเขียนไว้นะบอกผู้ใด เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นคําพูดของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธทาสท่านเอามาเขียนไว้เกิดมาไม่เคยได้ยินคําว่าปฏิจจสมุปบาทรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรไเที่ยวถามพระที่เขาบวชก่อนปฏิจจสมุปบาทคืออะไรครับ ท่านก็คงไม่รู้เหมือนกันนะท่านอ๋อเป็นเรื่องเหตุกับผลนะบ่ะอย่างนี้แล้วก็เดินหนีไปเลยถามต่อไม่ได้แล้วจะถามหลวงพ่อปัญญาท่านก็ไม่เคยอยู่วัดเลยรับนิมนต์คนศรัทธาเรื่อมใส่ท่านมากแล้ ว, ลวท่านใจดีใครนิมนต์ท่านไปหมดอะ่ะแต่หลวงพ่อนะก็ฝังใจกับคำว่าปฏิจจสมุปบาท คิดว่าเป็นธรรมะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้สืง อ, ออกมาแล้วเนี้ยเที่ยวไปเดินตามร้านหนังสือนะอยากหานังสือที่เกี่ยวกับปฏิจจสุบาทตรงๆหาอยู่นานนะไปได้เล่มเล็กๆของท่านพุทธทาสอีกแหละเรื่องปฏิจจสุบบาทมานั่งอ่านในนั้นเต็มไปด้วยศัพท์อะไร ชื่อว่าอาวิชชาความไม่รู้อริยสัจ ส, สี่เรียกว่าอาวิชชาไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เหตุและผลนเรียกอวิชชาตัวนี้แล้วบอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมีสามอย่างปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นบุญ อปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นบาปอาเนินชาพิสังขารความปรุงแต่งแบบอเนญชาอนั้น็อธิบายเรื่องอรูปฌานอะไรอ่านแล้วก็ยังไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาไปปฏิบัติยังไง ร, รู้ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจทายังไงจะรู้อริยสัจเราก็ไม่รู้อีก พูดเรื่องสังขารสามแต่สังขารสามจริงๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้รู้จักแต่ตัวหนังสือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็ไปกันใหญ่แล้ววิญญาณไม่รู้เป็นยังไงก็รู้แต่ว่าเป็นความรับรู้อารมณ์วิญญาณหยางลงไปตัวนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณหยางลงไปเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นยังไงก็ไม่รู้จักอีก นามรูปมีนามรูปขึ้นมาก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะก็มีภาษามีภาษาก็มีเวทนานีแต่ละอันตรละนันแ้นก็จะมีการแจกแจงภาษาก็มีหกอันการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษา้วเกิดเวทนามีสามอย่างเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงพบ ภพก็มีกามะภพรูปะภพอรูปนะภพมีชาติาบอกชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจชาติทำให้เกิดทุกนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทุกอ่านแล้วอ่านอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงยันะ ลำพังตำลาเรื่องปฏิจจสมบัติมันมีอยู่ล่ะไม่เคยหายไปยังไม่หายไปแต่เราอ่านแล้วเราไม่รู้จะลงมือปฏิบัติเพื่อทำลายอาวิชชาได้ยังไงเพื่อจะทำลายตัณหาได้ยังไงสมุดไทยให้ละตัวตัณหานี่ต้องละตัณหานั้นมาจากรักเงาของมันก็คืออวิชชางันจะต้องทำลายที่อวิชชาในหนังสือก็บอกว่า ต้องมีวิ ช, ชาถ้าเกิดวิ ช, ชาเมื่อไหร่ก็ทำลายอาวิ ช, ชาเม้นั้นทำยังไงจะมีวิ ช, ชาเขาไม่รู้อีกนะตัวเนี้ยถึงจุดตันเลยนะหลัง่ากนั้นหลวงพ่อก็ภาคเพียนพยายามอ่านพระไตรปิฎกพ่พานตำรับตำลาอะไรนะมันไม่ตอบโจทย์ว่าเราจะภาวนายังไงเพื่อจะละตัณหาได้เพื่อจะละอาวิชาได้ จนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนเข้ามาที่จิตก็ภาวนามีจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสภาวะเราเห็นเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไงความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ๆความทุกข์ไม่เกิดหรอกความทุกข์ในกายมันเกิดเพราะมันมีกายพอมีร่างกายมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องหิวนะ ต้องกระหายน้ำต้องปวดเอือปวดฉี่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ความทุกข์ในกายดูแล้วไม่มีทางแก้แว่ามันมีกายมาแล้วความทุกข์ตัวนี้เป็นวิบากแล้วนะต้องทนรับเอาแก้ไม่ได้ได้แต่บรรเทานะเช่นหิวก็ฉันอาหารนี่ในนี้เต็มไปด้วยพระนะก็เลยใช้คาว่าฉันอาหารร้อนนะไม่มีห้องแอร์อยู่ ก็อยู่ใต้ต้นไม้เย็นหน่อยหรือไปอาบน้ําอะไรเงี้ยบาบัดไปเรื่อยๆเด็ดเหนื่อยง่วงนะก็นอนก็บําบัดทุกไปนั่นทุกทางกายเนี่ยมันทําได้แค่บําบัดไปเป็นคราวๆอยังมีความหนาวความร้อนนะแล้วก็มีเครื่องดุ่งห่มเป็นพระนันะะจะสอนเรื่องปั จ, จเจกขณะนะยังจะใช้ห่มจีวรย ก็เตือนตัวเองเราไม่ได้หมเพื่อความสวยความงามแต่ผมเพื่อจะกันอุจารการเหลือบยุงลิ้นไสกัดการร้อนกนเหนาวให้รู้เหตุรู้ผลในการบริโภคฉันอาหารท่านก็สอนปฏิจจเวกขณะฉันเพื่อระงับเวทนาคือความหมดอยากหิวโหยไม่ได้ฉันเพื่อความอาเร็ดอร่อยเพื่อความเพลิดเพลินมัวเมาท่านก็สอน ดันทางกายเนี่ยเราแก้ทุกข์ทางกายให้เด็ดขาดไม่ได้มีกายแล้วก็ต้องมีทุกข์แต่เราบรรเทาได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอมียารักษานะรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปนั่นเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ความทุกข์ทางจิตใจไม่เหมือนกัน เราค่อยภาวนาไปเราก็จะเห็นเนละความทุกข์ทางจิตใจเนะี่ยเกิดขึ้นเป็นคราวๆที่รกเรายังไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่อยรู้ค่อยดูไปค่อยสังเกตไปในสุดเราก็จะเห็นนะทุกคราวที่เกิดความอยากใจจะเกิดความดิ้นรนเมื่อใจเกิดความดิ้นรนเนี่ยใจจะหยิบช่วย ตาหูจมูกเรียนกายใจขึ้นมาจะหยิบขึ้นมาทีละอันนะไม่ได้หยิบทีละหกอันหรอกอย่างมันดิ้นรนอยากดูรูปเนี่ยความสำคัญมันอยู่ที่ตาแล้วมันดิ้นรนอยากฟังเสียงนะความสำคัญมันอยู่ที่หูแล้วจิตมันจะไปใส่ใจที่ตาที่หูนะเวลากระทบอารมณ์ยังยุงมากัดมันคันขึ้นมาเนี่ยมันจะสนใจที่กาย เราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะสนใจที่ตาหูจมูกลิ้นหรือกายหรือใจจิตมันจะไปหยิบฉวยขึ้นมาเองตะครุบรูปตะครุบเสียงเนะี่ยมันตะครุบมาจากตะครุบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็มันก็จะไปสัมผัสรูปเสียงกลิน่นรสประทัพอธรรมารมุ่มภายนอกในตรงที่มันตะครุบมาขึ้นมาเนี่ยนะเราจะเห็นทันทีเลยว่า ภาระทางใจเนี้เกิดขึ้นภาระทางใจนี่แหละคือตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ใจมันเกิดภาระทันทีเลยที่เราไปยึดถือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจขึ้นมาอันนี้พูดยังไงเขาไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องภาวนาเองต้องเห็นด้วยตัวเองแค่เราเห็นว่าจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนะก็พูดได้ตามตำราแต่เราไม่เห็นของจริงว่ามันหยิบฉวยยังไง มันไม่มีทางพ้นทุกหรอกอ่านหนะังสือให้ตายแต่ไม่ได้ภาวนานะ ก, ก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ก็ดีกว่าไม่อ่านเลยนอกริดนอกรอยไปยิ่งตระเวนเปิดเปล่งไปใหญ่เช่นคิดว่าไปไหว้เจ้าแล้วก็จะพ้นทุกข์อะไรอย่เงี้ยก็นอกรีดนอกรอยไปคิดว่าจะไปอ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยช่วยไม่ได้อย่างคนจะติดโควิดใช่ไหม ไปสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยช่วยไม่ได้ก็นะต้องช่วยตัวเองมีสติเห็นมมีธรรมะรักษาอย่างเราไม่มีอวยมุฒนะเราไม่มีอวัยมุฒนะโอกาสจะติดเชื้อเนี่ยน้อยเต็มทีละนะอย่างคนที่ติดลงไปดูขา่าวเก่ า, กาๆนะที่เขาติดกันมาแล้วไปติดจากสนามมวย่ยาเงี้ยนะ ไปติดจากร้านเหล้าตามผับตามบารนะ์ไปสนามมวยไปทำอะไรไปดูกีฬาชกมวยจริงไหมนะไม่จริงหรอกคนไปดูมวยนะบางทีก็ไปเล่นพนันนะไปเล่นพนันไปดูมา้าเล่นพนันนะเป็นเรื่องอใบายามกนะนถ้าเราดูมวยแล้วเราไม่ได้เล่นพนันกับใครเราอยู่กับบ้านดูที่บ้านไม่ติดหรอกโควิด งั้นใจเนี่ยนะที่มันดิ้นรนตามกิเลสนะมันมีภาระนะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเราอยากจีบผู้หญิงสักคนนะใจก็ น, นิรนใจมีภาระเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยเวลาใจมีความอยากเกิดขึ้นใจมีความดิ้นรนตามมา เมื่ใจมีความดิ้ น, นรนตัวความดิ้นรนน่นแนะภาษาบาลีเรียกว่าภพนะดิ้นรนเรียกว่าภพเมื่อมีความดิ้นรนเกิดขึ้นจะมีชาติชาติก็คือการหยิบฉวยตาหูจมกูกลิ้นกายใจขึ้นมามันหยิบจริงๆนะเยียงเราภานาไปเรื่อยๆนะนะค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยละไปเป็นลําดับลําดับนะตอนท้ายเราจะเห็นนะจิตเนี้ยหยิบฉวยจิต หยิบฉวยใจอยู่อย่างใจของพวกเราเนียมันถูกหยิบฉวยขึ้นมาเอาไว้คิดนึกปรุงแต่งคิดดีคิดร้ายคิดสุขคิดทุกข์ใจเป็นคนหยิบฉวยขึ้นมาจะวางทำยังไงจะวางได้สั่งให้มันวางใจมันก็วางไม่ได้สั่งให้วางก็วางไม่ได้นะ ตอนภาวนาใหม่ๆบางครั้งเราเห็นนะบางครั้งจิตก็วางลงไปวางใจเราวางจิตลงไปจิตกับใจตัวเดียวกันนะครั้งจิตก็ปล่อยวางจิตบางครั้งก็หยิบฉวยขึ้นมาอีกแต่คนที่ไม่ได้ภาวนานะถามว่ามีการวางจิตแล้วก็หยิบฉวยจิตไหมมีทุกคนเวลาเราจะใช้จิตทํางานนะสัมผัสธรรมารมันเราจะหยิบฉวยจิตเวลาเราใช้ตาทํางานเนีเราหยิบฉวยตาเราไม่ได้หยิบฉวยจิต เพราะโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยหมาแมวปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ว่าปุถุชนเป็นหมาแมวนะถึงกระทั่งหมากกระทั่งแมวสัตว์ได้ร้าฉานนะหรือเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยจิตมันก็หยิบฉวยจิตบ้างปล่อยวางจิตบ้างแต่มันไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญามันปล่อยวางเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเหมือนเราจะทํานาทําไร่ทําปู ป, ป่าอะไรของเราเนี่ย เวลานี้จะต้องใช้จอบแล้วก็ขุดดินแล้ก็ใช้จอบขุดดินตอนนี้จะทำให้เป็นรูเล็กๆหนึ่งเราก็ใช้พลัวล่วเอาจอบไปสับงกกว้างไปอะไรเงี้ยตอนนี้จะถางหญ้าเราก็ใช้มีดใช้ล้าถางหญ้าเนี่ยเราจะหยิบเครื่องมือทีละอันทีละอันจิตใจนี้ก็เหมือนกันมันจะหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทีละอันตอนที่มันจะใช้อะไรมันก็จะหยิบอันนั้นขึ้นมา ตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อเห็นนะว่าจิตมันหยิบเฉวยจิตอยู่ที่เห็นจิตหยิบเฉวยจิตเพราะว่าหนึ่งสติมันเร็วมันไปเห็นจิตวางจิตจิตวางจิตลงไปพอเห็นจิตวางจิตสักพักหนึ่งก็หยิบขึ้นมาอีกนะเราก็รู้แต่ว่ามันหยิบขึ้นมาแต่ทํายังไงมันจะวางไม่รู้ภาวนาใหญ่เลยบุตรุดเลยนะพยายามดูว่าทํายังไงจิตจะปล่อยวางจิตได้ รู้อย่างหนึ่งนะถ้าจิตปล่อยวางจิตได้อย่างถาวรแล้วก็ความทุกข์ในจิตจะไม่มีอีกต่อไปแล้วตอนนั้นลืมไว้ปฏิจจสมบาทอะไรลืมหมดเลยที่จริงก็คือถ้าไม่มีชาติมันก็ไม่มีทุกข์ชาติคือความหยิบฉวยตาโหรจมูกเริกใจใจนี่ก็เห็นเน่ยเดี๋ยวจิตก็หยิบเดี๋ยวจิตก็วางจิตนะซ้ําแล้วซ้ําอีกนะทีแรกปล่อยปุ๊บหยิบปับ๊บปล่อยปุ๊บหยิบปับ๊บต่อมา มันปล่อยได้ยาวขึ้นปล่อยได้นานขึ้นนี่หลวงพ่อยังหาครูบาอาจารย์มาตอบคำถามเราไม่ได้ว่าทำยังไงจะวางตลอดได้ไม่รู้ว่าทำางไงจะปล่อยวางจิตได้พอดีได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สุวัตสวุวจโจท่านกลับมาจากอเมริกาท่านาพักอยู่ที่สวนทิพย์ ในสอยวัดกู้ที่ปักเกิ่งพอดีใกล้บ้านตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองนนทตอนที่กลาวว่าจะไปหาท่านจะไปกราบท่านจะเอาจิตปล่อยวางจิตเนี่ยไปถามท่านจิตเราปล่อยหยุดช่วงนี้ปล่อยยาวเลยแล้วปรากฏว่าตอนขึ้นรถตอนนั้นไปกับคุณแม่ชียังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระพาชีขับรถไปด้วยกันนะ เป็นโยมทั้งคู่แหละก็ขับรถออกจากบ้านไปพอรถออกจากที่อยู่เท่านั้นนะ่ะจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาใหม่ละตกใจนะว่ให้เราจะเอาจิตปล่อยวางจิตไปถามหลวงปู่ดานไปหยิบขึ้นมาอีกลนะเก็พยายามจะแก้นะทํายังไงจะหายทํายังไงจะวางดิ้นรนหุตลุดเลยก็าวางไม่ได้มันไม่ยอมวางเจอทั้งรถมาถึงปากสอย วัดกู้แล้วเข้าทางปกักติ่ตอนนั้นก็ถอนใจเลยนะออทำไม่ได้ปล่อยไม่ไดออ้จิตนี้มันเป็นอนัตตานะเราสั่งให้ปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะจิตมันนึกถึงว่าจิตเป็นอนัตตามันวางปั๊บลงไปอีกดีใจนะรีบเข้าไปหาหลวงปู่เลยไปถึงในห้องที่เข้าไปมันก็ไม่โตเท่าไหร่แล้ว หลวงปู่ยังพักอยู่ห้องข้างในแนละ้วอยู่ห้องข้างนอกคนก็มาเยอะเลยเราก็นั่งรีบไปแต่เมนะออื่อสินะรอหยุดได้นั่งข้างหน้าหน่อยจนถึงเวลาพระท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาที่ต้องเข็นเพราะหลวงปู่ท่านลดกว้างแล้วเป็นอมัมพาตท่านเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้แต่ทั้งกลืนน้ำลายยังต้อง พระต้องคอยดูดน้ำลายให้ท่า น, นดำลงขันแบบลำบากมากๆเลยพอเขาเข็นท่านออกมาพระเข็นมาอยู่ตรงหน้ากราบเสร็จนะท่านก็ยิ้มไปยิ้มมานะคล้ายๆท่านพิจารณาธรรม ะ, <น>ะมียมเยอะแยะหลายคนยิ้มไปยิ้มมาแล้วท่านก็มองหลวงพ่อแล้วท่านก็พูดบอกว่าบางครั้งนะจิตมันก็ปล่อยวางจิต พอจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตก็ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาทํำยังไงทํำยังไงนะมันก็วางไม่ได้จนกระทั่งจิตมันเห็นจิตเป็นไตรลักษณนะ์มันถึงจะวางจิตนะท่านพูดลอยๆขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้ส่งกันบ้านเลยสงนะส่ว่าจิตแรงไปนะท่านบอกเรา ก, กลับท่านในใจตอนนั้นยังกลับไม่ได้คนยังไม่ถึงเวลากลาบ คนก็ชวนท่านขุยเรื่องน้นเรื่องนี้ไปอเมริกาเป็นยังไงอะไรต่าเนยถามท่านก็ตอบไปบ้างอะไรบ้างนะทีพระก็ตอบแทนว่าท่านเหนื่อยท่านพูดไม่ค่อยไหวแต่หลวงพ่อเนี่ยได้คําตอบแล้วเข้าไปกราบประโยคแรกที่ท่านบอกเลยก็คือบางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิตบางครั้งจิตมันก็หยิบช่วยจิตเราสั่งมันไม่ได้หรอก พอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาจิตมันก็วางอันนี้มันก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเห็นที่ขับรถมามาถึงปากสอยถึงรู้ว่าเราบังคับจิตไม่ได้ะโอจิตเป็นอนัตตานะพะตรงนี้ปุ๊บวางปับเลยมันรู้แล้วว่าเราต้องดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆมันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองแต่ว่า ใช้จิตเป็นอารมณ์ใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็ภาวนามาเป็นลําดับลําดับนะใจมันก็ครออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆก็รู้นะว่าความอยากเกิดเมื่อไรใจก็ดินนด้นรนใจดิ้นรนใจก็มีภาระใจที่มีภาระก็คนะือใจที่มีความทุกข์นั่นแหละ ดังจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้จิตก็มีความทุกข์ตรงนี้มาเฉลียวใจนึกถึงคําสอนของหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธภาวนาเราถึงเข้าใจว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะก็คือจิตเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นั่นเองเป็นมรแต่นี้หลวงปู่ดูลท่านพูดแบบออมๆนะ ไม่พูดเต็มที่ถ้าพูดเต็มที่จะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตะมักเพราะตัวสุดท้ายของขันที่จะปล่อยวางได้คือตัวจิตผู้รู้นี่เองดงั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนสอนมานะแล้วก็ภาวนาแล้วเราไปเทียบเทียงเข้ากับปริยัติเนี่ยตรงกันอัศจรรย์มากเลยนะหลวงพ่อนับถือพระปริยัตนะไม่ใช่ไม่นับถือท่าน ท่านรักษาคำพีรักษาตำรับตำลาจนตกทอดมาทั้งสองพันกว่าปีมาถึงรุ่นเราไม่ใช่งานที่สบายงานที่ยากลำบากมากเลยท่านรักษาตำลามาไว้เอามาเป็นเครื่องตรวจสอบการปฏิบัติถ้าเราภาวนาแล้วผลการปฏิบัติเนี่ยมันขัดมันแย้งกับพระใจปิตกนะไปทบทวนใหม่เลยที่ภาวนาผิดแน่นอน อย่างภาวนาเราเห็นนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งเนี่ยผิดแน่นอนแล้วนะภาวนาเราเห็นว่าทุกสมูทัยนิโรธมรรคเป็นดวงสีต่างๆนะเป็นดวงแก้วสีต่างๆนะอันนี้ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกนั้นะไม่ถูกหรอกนะทุกสมูทัยนิโรธมรรคเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมาทั้งนั้นไม่มีเรื่องนิมิตนิมมต์เลยนะพวกนั้นเป็นเรื่องนิมิต นั้นปริยัิมีประโยชน์นเอาไว้ตรวจสอบการปฏิบัตินั้นนักปฏิบัติจริงๆไม่ดูถูกปริยัตนะอย่างถ้าอาจารย์มั่นท่านยังอ่านตำราเลยท่านภาวนาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ของวงกรรมฐานสายวัดป่าหลวงพรอก็เรียนจากรุ่นลูกสิทธิ์ท่านท่าก็อ่านท่าไม่ได้ดูถูกตำรับตำราอะไรแนะ่ ท่านไม่ให้วางต่ำํำอย่างครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกวงหนึ่งคือหลวงพ่อเกษมเข ม, มโกไม่ได้สายวัดป่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเรียนมาด้วยหลายสายเลยหลวงพ่อเกษมท่านก็เคารพตำรับตําลาไม่ได้สอนว่านั่งปฏิบัติให้ดูถูกตาําราคือเอาห น, านังสือไม่ต้องตาําราธรรมะนะตัวหนังสือตกอยู่ที่พื้นนะท่านยังเก็บเลยท่านยังเก็บเลยตัวหนังสือท่านถือว่า เป็นเครื่องมือสื่อเป็นเครื่องถ่ายทอดธรรมะเป็นของสําคัญเป็นของสูงเก็บเนะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติจริงๆไม่รังเกียจฝ่ายปริยัตหรอกฉนะนั้นพวกเราหลวงพ่อถึงส่งเสริมให้ไปเรียนนะนีคําว่าพวกเราเนี่ยพวกที่อยู่บ้านเนี่ยจะสงสัยหลวงพ่อเทศเนี่ยพระในวัดหลงพ่อมานั่งฟังนะเป็นตัวแทนถ้าให้หลวงพ่อเทศให้กล้องฟังนะเทศไม่ออกอะ เราไม่เคยเทศให้อัมนุษย์ฟังเทศก็เทศต้องมีคนฟังพระหลวงพ่อเนี่ยต้องเรียนเรียนนักธรรมถึงเข้าพรรษาเองก็ไปเรียนได้นักธรรมเอกมาเป็นสิบหัวองค์แล้วนะได้เรียนกันจนถึงนักธรรมเอกกนะันแล้นที่ความรู้ต่ำต้อยๆที่สุดในวัดก็คือหลวงพ่อล้ว หลวงพ่อสอบแค่นักทำตรีลูกศิษย์เก่งกว่าหลวงพ่อทุกองค์เลยอย่างต่ําสุดก็นักทำตรีโทเอกอะไรนี้ได้กันให้เรียนเพื่อจะรู้ว่าการปฏิบัติจริงๆมันเป็นยังไงเรื่องของการปฏิบัติจริงๆอยู่ในนักธรำเอกเรื่องของสมถะพิพัฒนาแต่ปีนี้โรคระบาดมันยังมีนะพรรษา น, นี้หลวงพ่อว่าจะไม่ส่งพระไปสอบเดี๋ยวติดโรคกลับมา พ่อแม่เขาจะมาว่าลูกเขาติดโรคเราดูแลไม่ดนะีงั้นเวลาภาวนานะดูจากของจริงพอดูของจริงแล้วกลับไปอ่านอย่างอ่านปฏิจจสมบัติของท่านพุทธานนะ่เออท่านเขียนถูกท่านะเขียนถูกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้วิธีปฏิบัติวิธีที่จะปฏิบัติให้ได้นะได้จิตที่เป็นคนดูมาแล้วก็ดูรูปธรรมดูนมามธรรมมันทำงาน เราก็จะวางรูปธรรมวางนมามธรรมไปสุดท้ายก็จะวางไอ้ตัวจิตที่เป็นคนดูได้เนี่ยเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาเอามาถ่ายทอดให้พวกเราเพั้นหลวงพ่อจะได้ไม่เป็นหนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้ส่งทอดแสงสว่างนี้ออกไปให้พวกเราแล้วส่วนพวกเราจะภาวนาได้มากแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวพวกเราเองธรรมะยังไม่เคยหายไปทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติธรรมะยังอยู่ มันอยู่ที่ว่าเราจริงจังเข้มแข็งเพียงพอที่จะเข้าถึงปฏิบัติให้เข้าถึงของจริงนี้หรือเปล่านะเอาพันนี้สมควรเก็บเวลานะเท่านี้นะพวกโยมพวกที่อยู่บ้านรักษาในะรักษาตัวให้ดีนะจะได้มีโอกาสมาฟังธรรมกับหลวงพ่อตัวเป็น